ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านห้นแต่รลวงปโพธิยานกำลังนำเสนอในราจีที่ศัตรูของพระผู้มีเระภาคเจ้าที่ตอนที่วาดด่า้ดยการพิจารณาปฏิจจสมุ ป, ปาในยามทั้งสามแห่งราตรีพร้อมด้วยพิจารณาปัจจยยการพร้อมด้วยเปล่งพระพุทธทาน พระธราจารย์ท่านแสดงว่าพระพุทมีพระภาเจ้าทรงเป่งพระพุทธอุทฐานโดยอำนาจการพิจารณาปฏจการในปฐมยามนะในปฐมยามก็โดยการพิจารณาตวัวปณิพานแต่ว่าปิมยามนั้นก็โดยการพิจารณามรรคหรืออนุภาพแ่งอริมรรคมนองค์แปดประการ พระนุทานในปฏิมยามจึงทรงแสดงว่าเมื่อใด แ, แล่ทำตั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นครามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามานเสยได้ดุจราชิตอุทยทำอากาศให้สว่างฉะนั้นประเด็นตนี้จะได้เห็นว่าเวลาทรงอธิบายตอนจัดสรเนียทรงอธิบายโดยปริยายต่างๆ ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือประเด็นแบบอุปมาเนี่ยค่อนข้างชัดนะตรงนี้ก็ส่งเชื่อเห็นว่ามันเหมือนกับพระอาทิตย์อุทยัยกระจัดมืดทําอากาศให้สว่างสวยทีนี้ความแสงสว่างในที่นี้ก็คือแสงสว่างของญาณหรือปัญญาหรือวิ ช, ชาคําเหล่านี้จะทรงใช่มากในตอนต้นๆเนี่ยแต่เราดูในธรรมจักรวัตนาสูตรเนี่ยใช้เยอะนะฮะ จักคุยานปัญญาวิชาแสงสว่างตัวนี้ก็ห้าคำแล้วจักขุกรณียานณกรณีอภินยายะสัมโบธาญตัวนี้ก็สี่คำแต่ละความหมายนี่ก็หมายถึงตัวสมายญาณคือความรู้สี่ที่เกิดขึ้นคือความรู้ที่มันผุดขึ้นเป็นผลรวมของการกระทําให้สมบูรณ์ในรมิมักมีองแปประการ และความรู้ก็ผุดขึ้นถ้าเราเทียบเคียงเนี่ยคล้ายๆกับว่าไอเครื่องปรุงอาหารแต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยเขามีรสชาติของเขามีเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะถ้าเราชิมแยกส่วนมันก็จะมีรสเฉพาะส่วนนั้นๆแต่พอเรามาปรุงให้เป็นเนื้อเดียวกันมันจะเกิดรสพิเศษขึ้นมาเป็นรสที่ร่วมกันของสิ่งเดอดนั้น ทารเรียกภาษาศาสนาว่าวิมุตติรสคือรสที่เกิดขึ้นจากจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสซึ่งก็หมายความหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วถ้ามองถึงโครงสร้างของของปฏิจจสมุปบาทเราก็จะเห็นว่าการหลุดพ้นจากอวิชชาสังขารเนี่ย แล้วก็บิน ญ, ญ, ญาณ น, นามรูปอาญาตนาผัสเวทนาห้าอย่างเนี้ยมันก็คือชีวิตอะสรุปแล้วก็คือชีวิตแต่วิถีชีวิตของคนเราก็สัมผัสอยู่ทุกวันนะ่ะเราก็มีครบทั้งวิญญาณ น, นามรูปอาญาตนาผัสเวทนามันก็มีอยู่ทุกวันเราอจะมีอยู่ทุกขณะโดยรับไปนะเพราะมันคือชีวิตแต่เพราะเหตุตัวนั้นมันดับไอ้ตัวนี้เลยดับด้วย ดัดตามไปทั้งหมดเลยแล้วก็โดยขันนี่มันเหลืออยู่เราก็มีเวทนานะฮะแต่เราไม่มีตัณหาในความพระอาหารหันนะพูดลืมไปพระอาหารหันพระพุทธเจานะ้าเนี่ยท่านไม่มีตัณหาแต่ว่าตรงนี้ที่จริงยังเหลืออยู่สมบับท่านเนี่ยวิญยาณรูปปัจัตนาปัฏฐะเวทนาเนะี่ยยังอยู่ท่านไม่มีตัณหาท่านไม่มีอุปาทานวนสังขาร สังขารรพบของท่านไม่มีเมื่อสังขารระพบซึ่งเป็นตัวกรรมเนี่ยมันดับไปพบที่ท่านจะเกิดก็ไม่มีเราก็เห็นกระบวนการตรงนี้ทีนี้ไอามานเกษตรนา ม, มานเนี่ยก็คือกิเลสกิเลสประเภทต่างๆที่ได้ว่าไว้ในตอนก่อนนะครับแต่เรากล่าวโดยสรุปพ่ามารเนี่ยมันมีอยู่อยู่ห้ามานใหญ่มานแรกก็คือขันธมาร มันคือเบนจะขันคือเบนจะขันเนี่ยตัวการสำคัญว่าเรามันเป็นมานหรือไม่เป็นมานเนี่ยมันอยู่ที่เรายึดหรือไม่ยึดให้ลองสังเกตว่าเบนจะขันของคนอื่นที่เกิดแก่เจ็บตายประสบ ป, ปัญหาอะไร ต, ะะไรต่างๆและจิตเราไม่เกี่ยวเกาะต่อคนนั้นด้วยความรักความชังถามว่าเรารู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือเปล่าเราจะไม่ดีใจไม่เสียใจอะไร แต่มีข้อแม้เราต้องไม่รู้นะฮะถ้ารู้เนี่ยมันก็ต้องเกิดอย่างใดอย่างหนึงอย่างอ ย, า ง, อยางไม่มีอะไรนะะเราก็เกิดสงสารสงสารไม่แปลกอะไรสงสารมันก็ใจมันจะคิดที่จะช่วยเหลือถ้าเขาประสบความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ยึดในสังขารเหล่านั้นว่าเป็นของเราหรือเราเป็นหรือเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็มีก็สักแต่ว่ามีอ่ะ สังขารเรานั้นก็สักแต่ว่าสังขารรูปก็สักแตารูปเสียงก็สักแต่ว่าเครียดกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นแล้วโดยพื้นฐานตรงนี้ที่จริงเรามองได้อยู่ทุกวันนะให้ลองสังเกตว่ามีเรื่องเยอะที่มันผ่านมาแล้วเราไม่เคยสนใจบางครงาคราวก็เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้วิทยุทิ้งไว้ทํางานไปเฉยๆไม่รู้เรื่องไหย น, นั่นก็แสดงว่ามันดูที่เราไปให้ความสําคัญแก่เขา พรพเจ้าทรงใช้ก็ว่ากล่าวโดยสรุปจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นล่ะมันก็มันก็เฉยๆอะ่ะไม่ได้มีอะไรอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในอุทานธรรมว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจแต่ถามใจตัวเองดูว่าเราจะอยากได้ความสุขหรือความทุกข์ จะได้ความทุกข์ก็ยึดเอาก็ไม่ได้่าอะไรแต่ว่าตรงนี้ที่จะเป็นมาเนี่ยเพราะเราไปยึดถือเฉยๆเอาลองสังเกตว่าตัขานขาร่างกายที่พระเจ้าทรงสอนให้มองมองบทหนึ่งที่เราใช้ในพิธีกรรมได้เรียกบางสกุลเป็นเนี่ยเป็นพระพุทธธรรมระดับที่จัดแก่พระติสสะปูติรัตตะเถระ ปฏิรูปนี้โดยวิบากกรรมเนี่ยที่ท่านเคยเป็นพลาล่านกไปประทุสราญนกไปหกักคานกปีกนกอะไรอะไรมาเนี่ยก็ทําให้บาป ก, กรรมมาสนองผลแก่ท่านจนเปื่อยร่างกายเปื่อยเน่าเหมบนหึงไปหมดเลยผู้เจ้าต้องเสด็จไปชาระล้างร่างกายอาบน้ำอาบทาให้แต่ว่าพอกผู้เจ้าเสด็จไปพระทั้งหลายท่านก็ไปช่วยกันนะกุลีะเจ้าช่วยกัน โดยเจ้าก็สอนให้พิจาราร่างกายของท่านคือบทเรียนครูมันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วสงสช้กำว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานนอปัทวิงอธิเสติจะล้มลงเหนือแผ่นดินสุดโดเปตวิญญาโนวิญญาณออกแกกร่างแล้วนิรัถังว่ากลิงกระลงก็เหมือนกับท่อนไม้ที่หาสารแกนสารอะไรไม่ได้นั่นคือจะเห็นว่า ถ้าเราปล่อยวางมันแต่ว่าเอามันเป็นครูเรียนตัวร่างกายจะเป็นอารมณ์กรรมฐานนะเป็นอารมณ์ก็กรรมฐานเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นหรือมั่นแต่อย่าลืมว่ามันเป็นนามรูปตัวมันเป็นรูปเราก็ใช้ในฐานะเป็นครูได้เพราะบทเรียนที่จะถึงมรรคนิพพานอะไรแต่จริงมันเรียนที่ตัวเราเนี่แหละเรียนในตัวเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่ที่ทไหนละกลายเบทานาจิตธรรมก็อยู่ที่ตัวเราแล้ว เราหาความเข้าใจกับมันเรารู้จักมันแต่แทนที่มันจะเป็นมารกับเรามันก็เป็นครูของเราแล้วก็เป็นยานพาณนะิที่จะนำพาเราไปสู่ผลที่ประนีตพบชาติที่ประนีดขึ้นนะฮะไม่ต้องพูดถึงนิพพานก็ได้แต่พวกนี้เราก็ต้องอาศัยเขาอาศัยเขาป่าจะถึงมรรคนิพพานประการต่อไปนั้นก็คืออภิสังขารมานคือบุญบาต ในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปนั่นแหละมันเป็นมานในแง่ที่เราต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานน่ะนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันทําให้ได้พบติดประนีทีนี้ถ้าเราติดพบติดประนีเราก็เราก็เป็นมานเนี่ยนะตัวนี้พบตัวนี้มันถ่วงเราไว้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุมรรคผลนิพพานมันเป็นมานระดับมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นมานระดับทั่วไป วันนี้เลยกลายเป็นมารรหลันกันลงมาเรื่อยๆก็่อยเกิดการข้องติดอยู่ในภพในสังสารทุกข์มันเป็นอุปสรรคขัดขวางเบียดเบียนก็ททำให้เดือดร้อนประสบความทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าท่านก็ดับไปตั้งแต่วิชามันดับนะนะแต่อย่าลืมว่าโดยวิบากขันนขันของพระองค์เองขันของพระองค์เนี่ยมันเกิดมาจากกิเลส ตอนนั้นมีทั้งกิเลสมีทั้งกรรมนะมีทั้งวิญญาณมีทั้งนามรูปอรยิยตนาภาษาเวทนาครบเลยเพราะฉะนั้นด้วยร่างกายที่เหลืออยู่เนี่ยก็สํารวจมาเรีนทเรียกวิบากขันคือขันที่เป็นวิบากซึ่งเหลืออยู่เนี่ยพระองค์ก็ต้องรับกรรมในอนดีตคือก่อนจัสรู้นะฮะกรรมที่ก่อนจัสรู้เนี่มันมีไปรับมันไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องอดีตและทําให้เราเห็นถึงการที่เรียกว่าอะไรละ่ะ ล้างบาปไปคือบาปมันเป็นอดีตไปแล้วมันไปล้างไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราทําบุญหนีมันไปไหวนะมันจะไล่ทันช้าลงแล้วก็อาจจะไล่ไม่ทันก็ได้นะฮะถ้าเราไปถึงพระพุทนิพพานแล้วก็ตายไปเนี่ยคือคือตับขันนั้นนิพพานไปเนี่ยก็ไล่ไม่ทันก็ได้ก็ไล่ไม่ทันเยอะไปนะมันไม่มีใครที่กรรมไล่ทันหมดหรอกเพราะว่า แล้วพระอรหันดทั้งหลายที่จริงถ้าพูดถึงกระถาว่าอดีตกรรมของท่านที่ตามมาในหมดได้ยังมันไม่รู้หรอกแล้วก็จริงๆก็คงไม่หมดหรอกเพียงแต่ว่ามันพอพอท่านดับขันเนี่ยมันไม่มีขันให้สะวยผุกก ร, รมแล้วมันก็จบกันเพราะในแนวของอภิสังขารมาเนี่ยก็จะโดยเสด็จก็คือว่าลดตัวบาปลงไป ไปสังการที่เป็นบาปแล้วเพิ่มมาพิสังขารที่เป็นบุญจนถึงเพิ่มระดับฌานระดับสมาธิขึ้นซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามสูงขึ้นประการต่อไปก็คือมัจจุมานนณมานก็คือความตายก็คือกิเลสมาหรือไหมกิเลสมาน กิเลสมานั้นก็คือกิเลสทั้งหลายเนี่ยเราอย่าลืมว่ากิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้ยึดแล้วก็เป็นเหตุให้ทบาปทั้งตัวกิเลสเป็นโคตรมันเลยเราก็คงทำได้ระดับลดเวลานี้เป็นปัญหาที่น่าห่วงภัยต่างๆภายในสังคมมันรุนแรงแต่ถ้าเราเห็นว่าทำไมแรงล่ะเพราะกิเลสมันแรงและทำให้กรรมเนี่ยเป็นบาปมันแรงกรรมเป็นบาปมันแรงก็ ปรมาณกิเลสก็เพิ่มขึ้นนะความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็กระทบต่อสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่และบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ถึงความตายคือกลายเป็นมัตรตุมานนะคือตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นก็ได้กรรมของตัวเองก็แล้วแต่ทีนี้พวกกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังในปัจจุบันเนี่ย ที่น้าห่วงใหญ่ก็คืออาการยั่วยุประยุวยวนเดี๋ยวมาชอบชอบพูดง่ายๆนะว่ามันคู่ให้กลัวกับยุ่ยอยากเป็นวิธีการที่ใช้กันสลับซับซ้อนคนไม่สังเกตยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าการโฆษณาสินค้าเนี่ยจสมมติเรามีหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวมีสินค้าอะไรก็ตามแล้วโฆษณาขึ้นมาสินค้านี้มันมี งวดสุดท้ายก็มีแค่เนี่ยมีแค่สมมติว่าขายรถออกรถอี่2งสองคันบ้านสองหลังอะไรแต่ไหนเนี่ยแล้วคนก็ขำมาดูดูกันอยู่มากถ้าคุณต้องการก็รีบสองในงันก็ไม่ได้แหละเพราะมันมันยังเหลือสองหลังสุดท้ายเนี่ยแล้วก็บางทีก็อาจจะขูนะฮะบอกว่าคนมาขึ้นราคาให้น ะ, ะแต่สมัครคุณนะะ่น่ะจะขายให้โดยราคากันเองแต่คนอื่นไม่ขายราคานี้ ก็มันตั้งราคาเองแล้วก็ลดเองไงนั่งพูดเดินเบเฉิบเฉิบเิบไงนะมันยั่วยากแล้วขัวเรากลัวรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ถ้าเราไม่รีบซื้อเนี่ยเราจะไม่ได้วิธีการก็เซ็นแมนเนี่ยแล้วเป็นวิธีการที่น่ารำคาญที่สุดเลยแล้วมาเพอร์เซ็นแมนอะไรแต่อไรมาโฆษณาขายบอกว่าไม่ต้องพูดละเลิกพูดคือพออ้าปากนี่รู้ว่ามันจะพูดอย่า ง, งนะี้ มีวิธีอยู่จางเนี้ยขูให้กลัวก็ยั่วยอยากล่อด้วยผลลอ่อโดยผลประโยชน์ต่างๆคล้ายๆกับยัย่วยเราอยากนะแต่เราได้เราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเนี่ยทีนี้การโฆษณาในแนวเนี้ยเวลานี้มันมากแล้วก็สลับซับซ้อนมีลักษณะลดแรกแจกแถมมีการใช้โฆษณาโดยวิธีการต่างๆแล้วก็บางครั้งบางคราวก็เอาเด็ก มาเป็นสื่อในการโฆษณาแล้วเด็กก็อยากจะได้นะฮะก็ไปบีบคอพ่อแม่ก็ซื้อกันเป็นการใหญ่อาการเหล่านี้ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของกิเลสคือกระตุ้นกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจเราเนี่ยกิเลสได้มันก็กลายเป็นมารที่เราวิ่งไล่ความอยากและบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไปทําลายเอาขันทําลายเอาขันอีก เช่นอะไรเช่นโฆษณาเรื่องสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆไปเที่ยวะอะไรอาไรเนี่ยนะถึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมารุมมาตุ้มแล้วก็ถึงจุดหนึ่งคือมัจ เ, เทพุตตะมานความตายเนี่ยความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราจะเห็นว่าความตายแนวบัตรที่เหตุมันเกิดมากแนวที่หาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อน ปัญหาเรื่องโรคเอดปัญหาเรื่องยาบ้าปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยปัญหาชอบก่อเรื่องก่อการทะเลาะวิวาสอะไรๆคือบางเรื่องเนี่ยไม่น่าเชื่อต้อง น, นึกฟังแล้วก็หดหูว่ามันคิดเกิดมาได้ยังไงนะไปกินอาหารเขา้าแล้วก็เสร็จแล้วก็ขอขอเซ็นไว้ก่อนพอเขาไม่ให้ชักปืนเรียงยิงเลยโอ้โหมันดูเดือดด้วยกันนั่นคือคือกิเลส และสวดแล้วเสร็จแล้วก็ไปประทุษร้ายขันตัวเองขันก็เลยก็เป็นมาร น, นะฮะแต่ว่าเราเป็นเป็นคนประทุษร้ายตัวเราเองและบางครั้งมาก่าวก็อ่าน จ, จะถึงมัจจุมาความตายมันก็มีอยู่สองสามสามอย่างนะท่านแสดงไว้ว่าตายอยู่ทุกขณะก็เรียกณิกามรณะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากาละไออาการละมรณนะคือตายในคราวที่ยังไม่ควรจะตาย ตายดูปฏิเหตุตายดยความพยายามของบุคคลอื่นตายกับเพราะไปฆ่าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรแต่ไหนหรือกายตายเพราะถูกฆ่าผิดตัทวอะไรก็แล้วแต่แล้วการรับมันนะเฮียตายถึงข่าวที่ตายแต่ตายตรง น, นี้ที่จริงท่านเรียกว่าสมมตินะเพราะว่าเราก็ตายแล้วก็เกิดเลยเกิดดีหรือเกิดไม่ดีเป็นเรื่องของปัจจุบันที่เราจะกําหนดเลือก คือก็พยายามทำบุญทำกุศลเอาไวมา้มากๆมันก็ตายมันก็ดีก็แสดงว่ายังเป็นพบเป็นชาติแต่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพบมมีชาติเราก็อาศัยนยัยยะเดียวกันโดยเสด็จไปห่างๆก็คือตกแต่งพบชาติมาเราให้ประนีตมากยิ่งขึ้นก็คงเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏแต่ว่ามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขเพิ่มขึ้นที่แนวของเทวปุตตมา น, นี่คือเราอยา ม, ามองเฉพาะ เทวดาที่เป็นสมมติเทพเรานึกถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเรา็นว่าผู้น้อยเป็นอันมากที่ไม่ประจบประแจงผู้ใหญ่ประจบประแจงไม่เป็นที่ยังนึกถึงหลวงพ่อปัญญาปัญญาอนุท่าท่านล่าให้ฟังท่านบอกว่าในพระผู้ใหญ่ท่านถาม ถ, ามถึงหลวงพ่อพุทธทาสว่เาเออทั้นพุทธทาสไปไหนไม่เห็นมาหาเรา ท่านไม่ตอบหอแต่ถ้านึกภายในใจท่านบอกว่าคนฉลาดฉลาดเขาไม่มาหาคนโง่หรอกคือคนทำงานเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีเวลาจริงๆที่จะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปไประจบไปแจง้งไปเสนอหน้าเนี่ยนานๆจะพบกันจริงพบบางทีลืมไปเลยลืมชื่อไปเลยยามมาเองก็อยู่ในประเภทนั้นคือไม่ค่อยพบกับใครอะ่ะ พอเอาขนาดรายการวิทยุอย่างเดียวเนี่ยนะเราต้องพูดตั้งแปดสิบกว่าครั้งต่อเดือนรวมกับโทรทัศน์พอดีก็ร้อยหนึ่งพอดีเลยแล้นึกดูนับชั่วโมงดูนะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ทำให้เราอาจจะถูกผังมองอาจจะถูกตั้งแงรังเกียดอะไรต่างก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเราไม่สนใจแต่ว่า เรารู้สึกว่าเป็นภาระของเราที่จะถ้าจะประจบก็ประจบเฉพาะภารตนาตรายจะไม่ประจบใครนะประจบเฉพาะภารตะนาตรายเท่านั้นเองเพราะเราบวตรมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนาตรายผู้ใหญ่ก็อาจจะมองหมันท่าอะไรแต่เรก็ไม่รู้เราเราไปรับผิดชอบใจท่านไม่ได้แต่วันนี้ก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกับเทวปุตตมานในสังคมเนี่ยผู้น้อยเป็นอันมากที่ถูกผู้ใหญ่ขัดขวาง แม้แต่ในสมัยก่อนๆ น, นะครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนนะี่ยจะว่าพระบางองค์ในถูกแช่ไว้แช่แข็งไว้ที่ต่างจังหวัดมีความฉลาดปราดปรื่องมากเก่งมากเอาจารย์ไม่ยอมให้ไปไหนให้อยู่กับท่านให้อยู่รับใช้ท่านรับใช้คนเดียวรับใช้คนคนเดียวเกืเป็นความเห็นแก่ตัวของผู้ใหญ่มามีความรู้สึกมาตั้งแต่ตนและมาไม่มีเนนอุปถากไม่มีพระอุปถากไม่มีเด็กอะไรเลย คือเรารู้สึกว่าชีวิตเราชีวิตเดียวทําไมจะต้องไปสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นนะคนอื่นเขาก็ต้องมีอนาคตของเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาอยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่ใช่มาต้องมาดูแลม า, วาบวชฐานบำรุงอย่างงั้นไม่ใอ่เขาควรจะเป็นชีวิตของเขาเราก็ส่งเสริมสนับสนุนเขาเพราะ ว, าวิธีการตรงเนี้ยเราลองสังเกตว่า พระพุทธเจ้านั้นจะเน้นให้ภิกษุเนี่ยทำธุระของตัวให้เสร็จปฏิบัติกิจเพื่อลักกิเลสเนี่ยให้เสร็จแล้วค่อยมาทำงานค่อยว่ากันทีหลังอย่างในชุดแรกเราเห็นชัดเจนนะคือทั้งหกสิบรูปหรือเก้าสิบรูปเนี่ยบรรลุมรคนหมดแล้วจึงส่งไปประกาศระศาสนานั้นแสดงว่า เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเป็นเทพนะฮะเป็นวิสุทธิเทพเพราะในเทวปุตตมาเนี่ยที่จริงมันอมันมันมีอยู่สามอย่าง่ะเทวบุตรนี่มีอยู่สามอย่างคือโดยกําเนิดโดยสมมติแล้วก็โดยความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาไม่เป็นมารแต่ว่าโดยกําเนิดกับโดยสมมติเนี่ยโอกาสเสี่ยงมากโดยกําเนิดจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าโดยสมมติ รือผู้ใหญ่ที่ถูกสมมติขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณธรรมท่านไม่หนักแน่นพอเนี่ยบางคนบางนคนที่น่ากลัวนะน่ากลัวแล้วน่าสยดสยองเข้าใกล้แล้วก็เรียกว่ารังสีอัมหิทธิเดียำนวนจริงเรียกรังสีอัมหิทธิ์เซิงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงพยายามไม่กล้เกินไปไม่ห่างเกินไปนะพออยู่กันได้แต่ว่าอย่าไปหวังพึ่งภพนัก อย่าไปหวังพึ่งผาอาศัยแล้วก็สมัครพระภิกษุสามเณรนะฮะมุ่งกายถวายชีวิตต่อพัฒนาใจสำรับชาวบ้านมันก็ต้องระมัดระวังคือทำยังไงให้ดูเทวปุตตมานพวกนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ถึงกับเขาให้โทษแต่อย่าให้ถึงกับเราต้องไปเสียสถานะยุคที่มีการตรวจสอบกันมาก ในโอกาสต่อไปนะฮะถ้าทำกันด้วยความมีสุดใจนึกว่าอแนวเทพบุตรมาเนะี่ยจะลดลงไปคือปัจเจกชนแต่ละคนจะเป็นอันตรายต่อผู้น้อยที่เป็นอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยจะลดลงไปเพราะว่ามันจะมีคนตรวจสอบจะมีคนคอยครุ่งจิง เ, เป็นก้างขวางคอเอาไว้นะฮะก็ทำให้กลืนอะไรไม่ก็คล่องคอได้ แต่พระพุทธเจ้านั้นอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระอานางหลายนั้นกับจัดหมดทั้งมารแล้วก็เสดามาทั้งทั้งมารทั้งห้านเนี่ยไม่มีคือขันขันตมารก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นไอกิเลสมารก็ดับไปอภวิสังขารมารก็ละไปมัจจุมารนะครับมันมันก็ธรรมดานะร่างกายก็แตกดับแต่ว่าก็ไม่เป็นเหตุให้สะดุ้งกลัว เทวปุตตา ม, ามันก็อาจจะเบียดเบียนได้นะฮะเราห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าคุเจ้าเ็าประสบชัยชนะแล้วก็ไม่วัดวันต่อพวกเหล่านี้ท่านฟังทั้งหลายตาลงประพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี